3.11 หัวใจของชาวพุทธอยู่ที่ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดวงเล็บเปิด24กุมภพาพ2551ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดบางคนรู้สึกว่าชีวิตเกิดมาแย่เกิดมาแย่ ม, ยมากอันนั้นเป็นผลของอดีตแล้วเป็นผลกรรมในอดีตทำให้เกิดมาเป็นอย่างนี้ต้องเจอในสิ่งชั่วสิ่งไม่ดีบ้างอ น, นั้นไม่สาคัญเป็นอดีตไปแล้วแก้ไขไม่ได้หัวใจของชาวพุทธก็คือ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดกรรมในอดีตส่งผลให้เราต้องเจอในสิ่งที่ไม่ดีอย่างบางคนพ่อแม่ดุมากถูกทุบตีทําร้ายมาตั้งแต่เด็กถูกทอดทิ้งอะไรอย่างนี้ก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนไม่ดีเป็นเด็กมีปัญหามันอยู่ที่ตัวเราเองฉะนั้นอดีตส่งผลมาให้เราต้องเผชิญในสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างหัวใจของชาวพุทธอยู่ที่ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเจอสิ่งที่ไม่ดีแล้วมาดูใจของเรา ใจของเราก็สบายสงบสุขไม่ก่อกรรมก่อเวรไปอีกฉะนั้นสําคัญที่สุดเลยนะการที่มีสติอยู่กับปัจจุบันเป็นการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดฝึกไปเรื่อยๆถ้าปัจจุบันดีแล้วก็ไม่ต้องห่วงอนาคตต้องดีแน่แต่ว่าชีวิตเราก็อาจเผชิญความทุกข์อีกอันนี้เป็นเรื่องปกติกมก่อน ก, ก็ให้ผลได้อีกจะมาเผชิญความทุกข์อีกแต่จิตที่ฝึกดีแล้วพอพเผชิญปัญหาเผชิญความทุกข์นะ มันไม่ทุกข์ด้วยหรอกความทุกข์นั้นเข้ามากระทบเข้ามาถึงร่างกายได้เท่านั้นเองแต่ไม่สามารถกระทบเข้ามาถึงจิตใจได้ขนาดพระพุทธเจ้าอย่างนีไม่พ้นเลยตอนท่านใกล้จะปไินิพพานเดินทางไกลจะไปกุสินาราท่านกระหายน้ําอยากจะดื่มน้ําน้ําก็ขุ่นเสียอีกใช้พระอานนท์เข้าไปตักครั้งที่หนึ่งพระอานนท์ก็ไม่ไปบอกน้ํามันขุ่นฉันไม่ได้หรอกครั้งที่สองก็ไม่ไป ท่านใช้ครั้งที่สามถึงไปท่านต้องอดน้ําพูดตั้งหลายรอบกว่าจะได้ฉันน้ําหรือทําไมท่านจะต้องถ่ายเป็นโลหิตเป็นเลือดนี่ก็กรรมเก่าทั้งสิ้นเลยทําไมท่านต้องไปทรมานตัวเองอยู่ในป่าไปทรมานกายอยู่ตั้งหลายปีนี่ก็เพราะมีกรรมเก่ากรรมคือคราวหนึ่งท่านไปกระแนงะแหนะพระปัจเจผู้ทศเจ้าเข้าท่านอิจฉ้าท่านรู้สึกว่าจะเป็นฤาษีท่านก็เลยไปกระแนะกระแหนว่าโอ้ไปภาวนาคงไปอดอดอยากอยากในป่ามัง้ง คงไปทรมานตัวเองอยู่มั้งเลยได้ดิบได้ดีอะไรอย่างนี้ฉะนั้นผลกรรมมีนะขนาดพระพุทธเจ้าก็หนีไม่ได้หลวงพ่อใครเจอคนภาวนาภาวนาดีนะประเภทมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็กะว่าขอเกิดอีกเจ็ดชาติจะไปสวยสุขเจ็ดชาติพวกนี้ยังประมาทอยู่อย่างพระโสดาบันนี่กะว่าจะไปเกิดอีกเจ็ดชาตินึกว่าจะมีความสุขอย่างเดียวหรือความทุกข์มันก็ยังตามได้นะเพราะอากุศลมันก็ยังให้ผลอยู่ มันไม่ใช่ว่าได้ธรรมะแล้วอกุศลเจ้ากันไปหมดฉะนั้นเรื่องผลของกรรมเราเลือกของเราเองเราทำของเราเองเราก็ฝึกของเราไปฉะนั้นทาปัจจุบันให้ดีที่สุดนะใจเราจะก้าวเข้าไปใกล้นิพพานมากขึ้นมากขึ้นวิธีเข้าไปใกล้นิพพานให้รู้ทานความปรุงแต่งเอาไว้ความปรุงแต่งใดๆเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะความปรุงแต่งในใจเรามันปรุงดีบ้างปรุงร้ายบ้างปรุงสุขบ้างปรุงทุกข์บ้างนะ ให้มันรู้ทันลงไปถ้าเรารู้ทันความปรุงแต่งถึงจุดหนึ่งมันจะพ้นจากความปรุงแต่งจิตมันจะเห็นนิพพานมันพอของมันเองนะเรามีหน้าที่จเจริญสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยรู้ให้ถูกต้องนะอย่าไปคิดเอาอย่าไปเพ่งเอาอย่าไปเผลอลืมเนื้อลืมตัวอย่าไปคิดเรื่องกายเรื่องใจอย่าไปเพง่งเรื่องกายเรื่องใจแค่รู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยเห็นเขาเคลื่อนไหวเห็นเขาเปลี่ยนแปลงเห็นเขาทางาน เขาไม่ใช่ตัวเราเห็นอย่างนี้ซ้าไปซ้ามาวันหนึ่งจิตเขาพอของเขาเองเขาตัดสินความรู้ของเขาเองไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตเขาเป็นของเขาเองเมื่อเขามีสติมีสัมมาสมาธิมีปัญญาแก่รอบเขาเป็นเองหน้าที่เราก็แค่เจริญสติไปเรื่อยรู้กายรู้ใจไปเรื่อยดูความจริงไปเรื่อยรู้กายรู้ใจไม่ใช่เพื่อให้จิตนิ่งไม่ใช่เพื่อเอาสุขเอาสงบ แต่รู้เพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจไปเรื่อยๆมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ทุกข์มีแต่ของบังคับไม่ได้นี่ซ้ำๆอย่างนี้นะทุกวันทุกวันหลวงพ่อกระเทศซ้ำทุกวันเพราะการปฏิบัติมีอยู่เท่านี้แหละ